ของพระพุทธเจ้าพระนิพล์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเมื่อยกโชฟ้าขึ้นเิดแล้วสาลาก็เป็นอันเสร็จบริบูรณ์คนทั้งปวงพากันเรียกว่าสาลาสุธรรมมา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 ก็เป็นอันไม่สมประสงค์แต่ศ า, าลาก็สําเร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ตามประสงค์สแสดงว่าอันกางจะห้ามใครจากการทําบุญ น, นั้นเป็นการยากไม่เลือกว่าหญิงหรือชายถ้าเขาปรารถนาจะมีส่วนทําบุญด้วยแล้วก็ต้องหาวิธีรมด้วยจนได้มรรคฆามนกได้แบ่งศาลาออกเป็นสาส่วนคือทําเป็นที่อยู่ที่พักสําหรับอิสรชนส่วนหนึ่ง สำหรับคนเข็นใจส่วนหนึ่งสำหรับคนไข่ส่วนหนึ่งและทั้งสามที่สามคนได้ปูลาดแผ่นอาสนะไว้ทั้งสามที่โดยตกลงกันไว้ว่าอาคันตุกะเข้าไปพัก บ, บนแผ่นอาสนะของผู้ใดก็เป็นภาระของผู้นั้นจะรับรองเลี้ยงดูมคเข้ า, มานมปลูกต้นทองหลางหรือโกวิราระไว้ต้นหนึ่งในที่ไม่ไกลศาลาภายใต้ต้นทองหลางได่วางแผ่นหินเอาไว้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 ฉันเกิดในภกดาวดินซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสินเนรุมะฆ่ามโนเป็นเท้าสักกาเทวราชหรือพระอินท์เมื่อพระอินทและสหายขึ้นไปบังเกิดนั้นพื้นที่ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นนี้หาได้ว่างเปล่าอยู่ไม่พราะจะีเทพพวกหนึ่งมาบังเกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้วพวกบุคภเทพหรือเทพผู้เกิดอยู่ก่อนเหล่านี้มีเท้าเวกจิตติเป็นหัวหน้า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 แต่ให้แสดงเหมือนอย่างเดิมเมื่อเทพสองพวกมาประชุมเลี้ยงกันในครั้งนั้นเทพเจ้าถิน่นพากันดื่มที่พยัสสุราจนเมาล้มกลิ้งเกลือกอยู่ฝ่ายเทพผู้มาใหม่ไม่ดื่มครั้นเห็นเทพเจ้าถิ่นเดิมพากันเมาสิ้น ส, สติหมดไปแล้วเท้าสกาเทวราชก็สั่งให้ช่วยกันจับพวกเทพเจ้าถิ่นเดิมเวียนลงไปจากยอดเขาสุเมรุเทพเจ้าถิ่นเดิมมีบุญที่ได้ทําไว้น้อยจึงตกลงไปอย่างเชิงเขาซูเนรุ เกิดเป็นเมืองขึ้นภายใต้เขาซินเนรุมีขนาดเดียวกับดาวอเดนมีสิ่งต่างๆคล้ายคลึงกันเช่นดาวอเดนมีต้นปริชัตตะกะพบใหม่นี้มีต้นกิตตปาตาลีพวกบุปพระเทศเมื่อถูกเบียงตกลงมาอยู่เมืองใต้เขาสินเนรุก็ได้ชื่อว่าอสุระพบที่อยู่ก็ชื่อว่าพบอสุระคําว่าอสุระแปลว่าไม่เป็นใหญ่รุ่งเรืองเหมือนสุระคือเทพ หรือเป็นข้าศึกต่อสุระคือเทพอยางที่ได้แปลมาแล้วข้างต้นโดยที่แท้ก็คือเทพพวกหนึ่งแต่มีบุญต่ำไ้ำกว่าเทพพวกหลังเท้าสักการเทวราชกับสหายก็ได้ครอบครองสวรรค์ชั้นั้นทั้งหมดส่วนพวกบุปเทพหรืออสุรเมื่อต้องไปอยู่เมืองใต้เขาสุเนรุก็ผูกใจเจ็บแ้นยกทับขึ้นไปทาสงครามกับเทพบนเขาเือยึดสวรรค์ชั้นเดาดึงคืนเนือง ฤดูของสงครามระหว่างเทพกับอสุรดยปกติคือฤดูต้นไม้ประจํามืทั้งสองออกดอกพระอาจารย์ยังพรณนาไว้อีกว่าพบทั้งสองนี้สวยที่ระยะสมบัติเช่นเดียวกันมีขอบเขตและสิ่งต่างๆคล้ายกันจนถึงพวกอสุรเองก็เข้าใจว่าอสุรบรีเป็นเมืองเก่าของตนคือดาวดึงครั้นต้นจิตตปาตลีออกดอกได้เห็นดอกของต้นไม้นี้จึงทราบว่าไม่ใช่ชั้นดาวดึงเสียแล้ว จึงยกทัพขึ้นไปส่วนเท้าส ก, กเทวราชก็ได้ตราตรีมเมืองดาวดึงไว้รับเทพอสุรได้วางอารักขาที่ดานเฉลียงไว้ถึงห้าดานนับแต่ดานนอกเข้ามาคือดานชั้นที่ 1, หนึ่งนาครักษาดานชั้นที่สองครุดรักษาดานชั้นที่สามอมมพันคือพวกพระราคะทศะรักษาดานชั้นที่สี่พวกยักษ์ทหารรักษาดานชั้นที่ห้า ท้ามหาราชทั้งสี่องค์รักษาพ้นด่านเหล่านี้จึงถึงนครดาวดึงึ้นสร้างอินทปติมาหรือรูปเหมือนพระอินไว้ที่ประตูเมืองทั้งสี่รันเทวาสุรสงครามเกิดขึ้นแล้วในบางคาอสศรุเทพมีกำลังก็ตีพวกเทพบนยอดเขาให้ถอยร่นขึ้นไปโดยลำดับพวกอสศรุเทพตีหัก ด, ด่านทั้งหาขึ้นไปได้แล้วรันไปถึงเทนครดาวดิงก็หยุดยั้งอยู่เพียงนั้น ไม่อาจจะเข้าไปได้หรือได้เห็นรูปเหมือนพระอินทร์คิดว่าพระอินทร์เกิดออกมาก็ตกใจยกถอยกลับลงไปยังเมืองใต้เขาตามเดิมแต่บางคราวพวกเทพบนเขามีกําลังก็ตีพวกอสูรเทพถอยลงไปจนถึงอสูรนครใต้เขาพวกเทพบนเขาติดตามลงไปได้แค่นั้นไม่อาจจะตีเอาอสูรบุรีได้ต้องถอยกลับขึ้นมาฉะนั้นเทพนครดาวดึงและอสูรนครจึงได้ชื่อว่า อยุธบาบุรีแปล ว, ว่าเมืองที่รบไม่ได้ซึ่งตรงกับคําว่าอยุทยาในเทวสุรสงครามครั้งหนึ่งเมื่ออสุรเทพยกขึ้นมาพระอินทร์ได้ทรงเวทยันเทพรดลงไปกรบรับอสุระบุญหลังมหาสมุทรสู้อสุรไม่ได้ก็ทรงเทพรดหนีขึ้นมาจากที่สุดมหาสมุทรด้านทักษิณทานป่าไม้งิ้วด้วยอำมัดแรงกระเคลืนของเทพรดพวกลูกพรุฑพากันตกมหาสมุทรร้รองระ ง, งมพระอินทร์ ทรงเกิดกรุณาจึงสั่งมาตรีเทพสารถีให้กลับเทพา ร, รถเพื่อไม่ให้สัตว์เป็นอันตรายฝ่ายอสุรซึ่งได้ตามประชัมชิตเห็นพระอินทร์กับเทพา ร, รถคิดว่าคงได้กำลังหนุนเกิด ค, ความกลัวก็ถอยหนีลงไปสู่อสุรภ พ, พฝ่ายพระอินทร์เมื่อเข้าสู่เทพนครแหวดลองไปได้วยมูเทพในเทวโลกทั้งสองคือชั้นจาตุมหาราชและชั้นดาวดิงประทับยืนอยู่ท่ามกลางนครจึงเกิดประสาทขึ้น ในบารีใช้คําว่าสร้างปราสาทในอัจฉริยใช้คําว่าผุดขึ้นได้นามว่าเวทยันเพราะเกิดขึ้นในที่สุดแห่งชัยชนะคือชนะอสุรแล้วสร้างหรือเกิดขึ้นสงครามที่เล่ามานี้น่าจะเป็นครั้งแรกรันได้ชดนะบังเกิดเวทยันปราสาทขึ้นแล้วจึงได้วางอารักขาไว้ที่ด่านฉลิงห้าชั้นดังกล่าวแล้วพระอินทร์จึงได้เป็นเทวราชครอบครองสวรรค์ชั้นนี้ และชั้นจาตุมหาราชดังที่กล่าวว่าเป็นเทวราชของเทวโลกทั้งสองแต่พวกเทพชั้นดาวดิงก็อยู่ไม่เป็นปกติสุขนักต้องทำสงครามกับพวกอสูรซึ่งเป็นเจ้าขิ่นเดิมอยู่นึงนึงแต่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่อาจจะเอาชนะกันได้เพราะต่าง ก, ก็ได้บำเพ็ญบุญมาด้วยกันจะกล่าวถึงสตรีสี่นางในเรือนของมะขะมานพนางสุธรรมมาซึ่งชีวิตแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดิง้งเทวสภาชื่อสุธรรมา ก็เกิดขึ้นสำหรับบุญของนางสุธรรมมาท่านว่าไม่มีที่อื่นจะน่าชื่นชมยิ่งไปกวา่าจนถึงกล่าวกันว่าน่าชื่นชมเหมือนสุธรรมมาเทวสทานางสุนันทาก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเดียวกันสาบโบกหรณีชื่อว่านานทาก็เกิดขึ้นสำหรับบุญของนางสุนันทาแม้นางสุจิตราก็เหมือนกันก็ไปเกิดร่วมสวรรค์ชั้นเดียวกันนั้นอุทยานชื่อว่าอิต ร, รดาวัน ก็เกิดขึ้นสำหรับบุญของนางสุกิตราเป็นที่ซึ่งของพวกเทพนำเทพบุตรผู้เกิดบุพนิมิตไปเที่ยวชมให้เพลิดเพลินฝ่ายนางสุชาดาแปลกว่าเพื่อนไปเกิดเป็นนางนกอย่างที่ลำธารภูเขาแห่งหนึ่งพระอินทร์ทรงส่องทิพยเนตรดูบริจาริกาของพระองค์ทรงทราบว่าทั้งสามนางได้มาเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดิ่งด้วยกันแล้วขาดแต่นางสุชาดาทรงจินตนาว่าไปเกิดในที่ไหน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 จะเห็นหญิงสหายในเทวโลกจึงทรงนำนางไปปล่อยไว้ที่สระโบขรณีนังถาแล้วตรัส บ, บอกกับสามนางให้ไปเยี่ยมนางสวรรค์ทั้งสามได้พากันไปยังฝั่งสระบขรณีนังถาได้เห็นนางงกอย่างสุชาดาจับอยู่นัดที่นั้นก็พากันหัวเราะเยาะเยะ้ยชวนกันให้ดูรูปร่างว่าช่างสมเป็นผลของการเอาแต่แต่งตัวชวนกันจะดูจะง่อยปากชวนกันดูแข้งและเท้าชวนกันให้ดูอัตภาพร่างกายว่าช่างโสผา ฝ่ายนางนกยางสุชาดามีความละอายขอให้พระอินทร์นํากลับลงไปฝ่ายพระอินทร์ก็ได้ทรงนํานางลงไปปล่อยในท่า น, น้ําตามประสงค์ทรงบรรดาให้นางได้รู้คิดและปรารถนาที่พะยะสมบัติทรงสอนให้นางรักษาศีลห้าทรงเตือนให้ไม่ประมาทแล้วเสด็จกลับนางนุกยางก็ตั้งใจรักษาศีลเว้นจากการเสด็ปลาเป็นที่ยวหาเสด็แต่ตราตายพระอินทร์ได้เสด็จไปทรงทดลองเป็นปลา นอนงายเหมือนตายอยู่บนทรายนางุกยางเห็นเข้าเข้าใจว่าปลาตายก็ตรงเข้าจิกจะกลืนปลากระดิกขางก็รู้ว่าปลาเป็นก็ฆ่าไปปล่อยในน้ําพระอินทร์และเสด็จมาทรงทดลองหลายครั้งจนแน่พระหฤทัยว่านานรักษาศีลมัน่นคงก็ทรงยินดีทรงเตือนให้ไม่ประมาท น, นังนกยางไม่ได้ปลาตายขาดอาหารก็พายผอมไปโดยลําดับจนสิ้นชีวิต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 เพื่อให้ธิดาเลือกสามีตามแต่จะพึงใจประธานพวงดอกไม้แก่ธิดาเพื่อที่จะเสี่ยงเลือกคู่ครองในขณะประชุมทำการสนุมผ่อ น, นั้นพระอินทร์ได้ทรงทราบโดยทิพยเนตรจึงทรงเนรมิตพระองค์เป็นอสุระแก่เสด็จไปยืนในที่สุดบริษัทฝ่ายนางอสุระกัญญาสุชาดามองตรวจดูอสุระผู้มาประชุมกันทางโน้นทั้งนี้ทั้งหมดเพราะได้เห็นอสุระแก่ยจำแรงก็มันเกิดความรักขึ้นท่วมหฤทยัย หมือนห่วงน้ําใหญ่ไหลมาท่วมทับด้วย อ, อํานาจบุพเพสนิวาตจึงสิ่งพวงดอกไม้ไปยังอสุระแก่จําแลงพวกอสุระทั้งหลายพากันละอายว่าราชาของพวกตนเลือกคู่ให้ทิดามานานจนได้อสุรแก่คราวปู่ฝ่ายพระอินทร์ทรงประกาศพระองค์ว่าเป็นเท้าสักกะเทวราชทรงนําอสุรากยายสุชาดาหนีไปทันทีพวกอสุราพาะพอรู้ว่าเท้าสักกะเทวราชจําแลงมา พากันไล่ตามมาตรีเทพสารถีนำเวทย์ยันรถไปรับในระหว่างทางพระอินท์ขึ้นประทับเวทย์ยันรถกับนางสุชาดามุ่งพระพักไปสู่เทพนครเมื่อถึงป่าไม้นิ้วพวกลูกธุดก็พากันตกใจร้องเสงียงแซ่พระอินทก็มีรับสั่งให้กลับรถพระที่นั่งเพื่อช่วยลูกธุดไม่ให้เป็นอันตรายผู้อสุระซึ่งไล่ตามคิดว่าพระอินท์จับได้กําลังหนุนมีความกลัวไม่กล้าไล่ตามต่อไป กกับหลังหนีลงไปอสุราบุรีเท้าสักกะนำอสุรกัญยาสุชาดาเข้าสู่เทพนครนาได้ขอพอรให้ได้เสด็จตามไปในที่ทุกแห่งที่เท้าสักกะเทวราชเสด็จไปเพราะไม่มีมารดาบิดาหรือพี่น้องชายหญิงในเทวโลกนี้พระอินทร์ได้ประทานปฏิญญาให้แก่นางตั้งแต่นั้นมาพวกอสุระเรียกพระอินทร์ว่าชรศักกะแปลว่าเท้าสักกะแก่พระเจดีจุฬามณี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 หรือมวยผมและปินมณีแห่งจุฬาคําว่าโมรีแปลว่ามวยผมหมายถึงมวยผมบนจอมหรือกระหม่อมแห่งศรีศรษะก็ได้มวยผมในส่วนนอกจากนั้นก็ได้คือหมายคุมถึงมวยผมทั้งหมดทรงจุฬาหมายเฉพาะส่วนของผมบนจอมศรีศรษะคือเฉพาะส่วนยอดมีล่ว้นายอวิทูเลนิธานในอัตถกะถาชาดกว่าเมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จออกมหานิเวกรมส่งม้ากันทกะ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 ยังคงอยู่ขนาดนั้นตลอดพระชนมาชีพพระมสุก็มีสมควรแก่พระเกศาไม่ต้องโปร่งพระเกศาและพระมสุอีกพระโพธิสัตว์ทรงโยนพระจุฬากับพระโมรีขึ้นไปในอากาศเท้าสักกะเทวราชทอดพระเนตรเห็นด้วยทิพยจักษุทรงรับด้วยพระอบรัตนะทรงนําขึ้นไปปฏิสถานไว้ในเทวสตูชื่อจุรามณีเจดีในสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมกับอีกสองสิ่งคือเป็นมณี และเครื่องรัดเกล้าดังกล่าวแล้วรวมเป็นสี่สิ่งคือหนึ่งพระจุฬาสองพระโมลีสเป็นมณีสี่เครื่องรัดเกล้านอกจากนี้ยังเป็นที่บรรจุพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาในข่าวแบ่งพระธาตุดังที่เล่าไว้ในพระปฐมสมโพธิกถาพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณุชิตชิโนรสมีความว่าเมื่อโทวนรรามแบ่งพระธาต์แอบหยิบเอาพระธาตุธาต์ คือเขี้ยวแก้วเบื้องขวาขึ้นซ่อนไว้ณภ า, ายใต้ผ้าพวกศีรษะพระอินทท่อพระเนรเห็นด้วยทิพยจักษสูทรงดำริว่าโทนพรามไม่อาจทำสการะให้สมควรแก่พระธทาตททุธาตาควรจะนำมาบูชาในเทวโลกจึงทรงอัญเชิญพระธทาตุธาตุ น, นั้นจากผ้าโวกของโทนพรามปฏิสถานในสุวรรณกูดทรงนำขึ้นไปบรรจุไวในพระเจดียจุรามณีในดาวดึงเทวโลกฉะนั้นในพระเจดียนี้ จึงมีสิ่งบรรจุหลายอย่างแต่ก็เรียกว่าจุรามณีเจดีคัติยะในชมโพทวีปสมัยพุทธกาลน่าจะไว้พระเกศสายามุ่นเป็นโมรีหรือมวยผมมีปินเสียบที่จุราหรือผมส่วนยอดและมีเครื่องรัดเกล้าพระพุทธรูปสมัยแรกมีทมพระเสียนแบบคัติยะดังกล่าวในเวสสันดรชาดกมีแสดงไวตอนหนึ่งว่าพระเวสสันดรประทานทุกสิ่งแก่ผู้ขอจนกระทั่ง ส, สุวรรณสูดังกล่าวในมหาชาติคำหลวงว่าท้าก็ถอดพระอินปิ่นมาศประสาทแก่นายพระในจร น, นั้นโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยาสาร ง, งวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป